สิบเจ็ดสัมมติวาระวาระว่าด้วยอธิกรระงับ307เถามวิวาธาทิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่อุวาทาทิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่อปัตตาทิกกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ กิจจาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไร่ตอบวิวาธาธิกรระงับด้วยสมถะสองคือ 1. สัมมุขาวิไนยยัย 2. เยผุยสิกาอนุวาธาธิกรระงับด้วยสมถะสี่คือ 1. สัมมุขาวิไนยัย 2. สติวิไน 3. อมุระหาวิไนยัย 4. ตัดสปาปิยศสิกาอาปตตาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะสามคือ 1. สัมุขาวินยัย 2. ปติน ญ, ญาตาการณะ 3. ตินวัฏฐารกะกิจจาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะหนึ่งคือสัมมุขาวินาัน ถามวิวาทาทิกรและอนุวาทาทิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบวิวาทาทิกรและอนุวาทาทิกรระงับด้วยสมถะห้คือ 1. สัมมุขวินยัย 2. เยปุยสิกา 3. าสติวินยัย 4. อมุระหาวิไนห้า ตัส ป, ปาปิยสิกาถามวิวาทาธิกรและอาปัตตาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบวิวาทาธิกรและอาปัตตาธิกรระงับด้วยสมถะสี่คือ 1. สัมมุขวิไนยยัย 2. เยปุยสิกา 3. ปติน ญ, ญาตาการะณะ 4. ตินวัฏถากะถามวิวาทาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบวิวาทาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะสองคือ -1. สัมมุขาวิไนัย 2. เยปุยัสยิกาถามอนุวาทาธิกรและอาปตะธิกร ระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอนุวาธาทิกรและอาปัตตาทิกรระงับด้วยสมถะหกคือ 1. สัมมุขาวินยัย 2. สติวินยัย 3. อมูรหาวินยัย 4. ปฏิญญาตการณะ 5. ตัสปาปิยาสิกา 6. ตินวัฏฐากะถาม อนุวาตาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอนุวาตาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะสคือ 1. สัมมุขาวิไนยัย 2. สติวิไนยัย 3. อมูระหาวิไนยัย 4. ตัสปาปิยสิกาถาม อาปตาธิกรและกิจจทิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาปตาธิกรและกิจจทิกรระงับด้วยสมถะสาคือ 1. สัมมุขวิไนัย 2. ปฏิญญาตะการณะ 3. ตินวัฏฐากะถามวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรและอาปตตาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไร ตอบวิวาธาธิกร อ, อนุวาธาธิกรและอาปัตตาธิกรระงับด้วยสมถะเจ็ดคือ 1. สัมมุขวินยวัย 2. เยปุยสิกา 3. สติวินยัย 4. อมูรหาวินยัย 5. ปติญญาตะการณะ 6. ตัสปาปิยสิกา 7. ตินวัฏฐากะถาม วิวาทาธิกรอนุวาทาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบวิวาทาธิกรอนุวาทาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะหคือ 1. สำมุขาวิไนัย 2. เยปุยสิกา 3. สติวิไนสี่อมุระหาวิไนัย 5. ตัส ป, ปาปิยสิกาถามอนุวาัาธิกรอาปัตตาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอนุวาัาธิกรอาปัตตาธิกรและกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะหกคือ 1. สัมมุขาวินยัย 2. สติวินยัย 3. อมุระหาวิไน สปติญญาตกรณะ 5. ตัสปาปิยสิกา 6. ตินนวัฏฐานะถามวิวาทาธิกรอนุวาทาธิกรอาปัตตาธิกรและกิจจาธิกอนระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาทาธิกรอนุวาทาธิกรอาปัตาธิกอนและกิจจาธิกอน ระงับด้วยสมถะเจ็ดคือ 1. ส ม, มุขาวินัย 2. เยปุยสิกา 3. สติวินัย 4. อมุระหาวินัย 5. ปติญญาตกรณะ 6. ตัสปาปิยสิกา 7. ตินวัฏฐากะสมมติวาระที่สิบเจ็ดจบ